คนทั้งโลกมีคำพูดที่ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคำพูดจึงเป็นหมวนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำไมถึงพูดอย่างนั้นบอกความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีพบไม่มีนั่นเอง มีแต่ความคิดหายเต็มหัวใจทั้งที่ตัวปิดก็คือตัวครบอยู่แล้วดังนมันก็ปิดบงังตัวเองอยูน่นันให้เกิดความลูกความเห็นไปบาตรพบมาพมหน้าชา้หน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นนี้พูดทีว่าพบหน้าชั้นหน้านั้นแลคือตัวครบตัวชาติตัวเกิด ตัวตายมาโดยลำดับสรามดาต่อเมื่องว น, นๆกับก้าวขาเดินอยู่ท่านเรียกว่าอวิชชาวิชาแปลว่ารู้แจ้งอะแปลว่าไม่แจ้งรู้แต่ก็รู้อย่างแบบเราทั้งหลายนี่ท ย, ทยที่ว่ารู้ที่อะก็ไม่แจ้งตามความจริงคือไม่รู้ตามสิ่งที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวและอื่นๆ ซึ่งเป็นความปิเหมือเหมือนกันไม่รู้ในสิ่งนี้ท่านเรียกว่าอาักยุชชาไม่รู้แจ้งห็นจริ ง, รงตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งภายในตัวและสิ่งทั่ ว, วไปท่านจึงเรียกว่าอาักยุชชามัานปิ่นบังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเช่นเหมือนกับหัวตออย่างนี้รู้แต่ก็รู้อย่างเราอทั้งท่านนี่เอง ท่นเียวิาชาสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้วิเลศวัตะวนมันครอบรเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวในการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรื้อถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ ทั้งภายนอกภายใ น, นมีวิชาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบังจิตใจอย่างมิชิ ด, ดเป็นไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้ให้เปิดเผยออกตามความจริงและให้รู้ตามความจริงก็งมีธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นและเครื่องมือก็คือมัดแปดท่านเรียกที่เรียกว่ามัจิมาปฏิปัา หนทางสายกลางกลางต่อจุดปุ่งหมายกลางต่อคําจุนจึงไม่เป็นธรรมที่ล่าสมัยเป็นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์เสมอไปไม่งนั้นท่านก็ไม่เรียกผมมัตชิ ม, มาที่สูงกลางผูดถึงเอความเกิดเจ็บตายทั้งที่ท่านแสดงในงวัฒนธรทีร่พิพิธภัณฑ์รับอยู่ค่ะท่านแสดงถึงเรื่งทุกข์ใ น, ในอญญายุสัตว์สี่ พอพูดอย่างนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกกะทาชาติดูขาชราติดูขามานําปือขังโซกลับไปเที่ยวทุก ท, ทุกทุกที่ไปชาติติดูขามันเต็นอยู่ด้วยในธาตในขันของสัตว์และบุคคลทั่วไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบล้นสมมุติอย่างกว้างความละเอียดอ่อนเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหล่านี้ได้ดีศาสนาจึงควรแก่มนุษย์ ที่จะปฏิบัติของพระเจ้าพึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้นในอ ร, ร, ริยสัจสี่เปนแสดงไว้ในธรรมจา ก, กปวัวตนสูตรสมุ ท, ทัยอริยสัจจังคืออะไรมันที่ราคาจาระตาตะตรายทินานิมีเซยที่ดํางกามตัญหาปวัตันหาวิปวัตันหาเนีสามอย่างนี้เป็นรากใหญ่เป็นส่วนใหญของ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 ร่างกายจะไปรูเรื่องรู้ราอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับสร้างให้เท่านั้นความรับทราบของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์ด้วยชาติาจิตวิสาขาคือจิตผู้มาก่อําขนือเปิดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านจะแยกมาสิ่ง น, นี้เป็นทุกข์ไอจิตได้เห็นโทษในสิ่ง น, นี้ตนก็ไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามะ ชาลาปิทุขาแนะนำํำปิทุขังและเกิดก็เป็นทุกข์แต่ชาลาทำพลาดก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เองโทษของความทุกข์นี้เผปิไดไปเล้ถอนตัวเองนั่นเองนม่เพื่ออะไรท่านที่แสดงไว้ในอะไรอ น, นันตตาลกนสูตรก็เหมือนกันมาสิ่งนั่นเจ็บแทงสิ่งนี้เจ็ดแทง มันเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาพาธอะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจมันรับเราะทั้งหมดคอยให้เห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตงัวนี้ที่ไปเกี่ยวข้องที่ไปผูกพันเขาด้วยเนี่ยันเทศไม่ในนี้จากจิตเทศอยู่ในจิตรุ่นรุน่นในข้อที่สามเท่านั้น นิโรธอนิยสัจนิโรธาอนิสัจจังหมายถึงถแสดงอนิยสัจท่านให้ทําให้แจ้งซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์อะไรจะเป็นเครื่องทํานิโรธให้แจ้งถ้าไม่ใช่มรรคมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้มรรคอะไรเป็นสําคัญตัวขึ้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปหมายถึงปัญญาต้องเป็นผู้นําเสมอคนฉลาด ต้องเป็นหัวหน้า ง, งานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้า ง, งานไม่ได้ทำให้งานแหลกเหลวผนตีไปหมดผลจะได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วยังทํางานให้เสียไปด้วยให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้า ง, งานน่ในมัคแปรก็สามารถที่จะสามมาสัสามมาสังกปรหมายถึงปัญญาเป็นผู้นํำสัมมากรรมวาจาสัมมากรรมมันศาที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุสา ม, มาสา ม, มาสติสัมาสมาธิ ก็เหมือนกันต้องมีปัญญาสมาสติคือจะรู้ชอบอะไรรู้ชอบอะไรู้ที่ไหนเนี่ยรูลล้ชอบคล้ายๆก็ทราบบอกคำว่าชอบคืออะไรยแล้วเราลึกที่ไหนถึงจะเรียกว่าชอบเรารืลล่อยูในในสติปัฏฐานสีนี่กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยพอเข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ้อนสัจจะซ้อนกันลงขึ้นนี่ สมาสมาธิเมือ่อเราชอบแล้วสมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมาเกี่ยวรู้ดั้นรู้นี่หลอกลงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมเนีกะการกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหือถูกมีมักแปลเหล่านี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานหรือว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทําด้วยข้อปฏิบัติ ด้วยสมาทิสตรีสมมาสงโปจะกระทั่ทงสมาสมาธินี่อาการแห่งการกระทําทั้งแปดนี้เป็นอาการที่จะทํานิพพานให้แจ้งทำงานนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์มันดับได้ถ้าถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องน้อที่กล่าวมานี้ทำไมใช่ดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับจะบ่นวันดังคำคืนยังรุ่งก่อนยิ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลําบากขึ้นอีก เป็นหาทางดวงวางจิตใจไม่ได้แต่ทำมาทั้งหมดสอนลงมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัตตะวนทั้งหลายอยู่ที่ใจครั้งเห็นกิเลสก็คือใจครั้งแห็นธรรมก็คือใจเมื่อทายเทศครั้งเห็นกินเลสกิเลสออกหมดอันนี้ก็กลายเป็นครั้งแห่งธรรมขึ้นมาวัตะตะหรือยุทตะแน่นอนเหนื้อไปจากจิตใจดวงเดยวนี้ ทายเทีนสิ่งที่เป็นวัฏฏะออกที่วัฏฏะก็ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียวกับสถานที่ที่โรคบุกรังแล้วถาได้ถากถางต้นไม้ใบหญ้าออกให้หมดมันก็เตรียนโล่งขึ้นมาในสถานที่โรคุกรังนั่นแหละที่จิตเวลานี้มันลบุกรังด้วย อ, อะไรความโรค ก, ก็อยู่ท่าผมมีที่จิตปกคุมที่จิตความโกรธความหลง พิเรนน้อยใหญ่มันปกคุมที่จิตทำงานไม่ปกคุมที่ไหนเลยไม่ใช่มันไปปกคุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลี้นที่กายมันปกคุมที่ใจอันนี้เป็นทางเดินของพิเรนไม่ใช่ตัวพิเรนจริงมันปกคุมอยู่ที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่แล้วจิตใจมีความเปลี่ยนเรื่องกับวารายท่านก็สอนแยกแยกไปเห็นโทษเห็นภัยตามจิตที่ไปเกี่ยวข้องส่วนพารณาเรื่องลูกเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรถมันเป็นอะไรมันต้งไปติดไปพันไป เมื่อใครชอบใจหรืเกลียดทาต่างๆแยกคือนั่นแยกดูกลิตนของตัวเองเอสอนไปข้างนอกก็เพื่อจใจรู้ข้างนอกให้รู้ข้างในสอนข้างในก็ให้รู้ข้างในโดยลําดับธรรมะทั้งหมดรจริงๆรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจทานั้นเพราะใจเป็นตัวการน้าคัญหรือว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีหล่ะจอมปราดก็คือใจเมือ่อทานะสิ่งที่โง่เขา ออกจากขีดใจแล้วความฉลาดไม่ต้องบอกเขาเกิดขึ้นมาเองโดยลำหนักดันหลักความงง่ออกยันซึ่งเชิงก็ความฉลาดก็ปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวเต็มผู่อันที่สอนในพิจารณาที่ชาติที่พิทูขาเพราเกิดก็คือตัวกายของเรานี่ยเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงมันประกอบกับมุ่นวายอะไรกับเราบ้างเราเห็นในอย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืน ด, ด, ดูนั่งนอนนี่แต่การเปลี่ยน ที่บันเทาทุกทั้งนั้นนั่งนานก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนต่หาเดินเดินก็เปลี่ยนต่หายืนตาหารนอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้ยูในยาบทใดบทหนึ่งนานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพระฉะนั้นอยาบทจึงเป็นเครื่องบันเทาขันอันนี้ถ้าจะเสียบปูมาแล้วกรหม่อกับเอาถ่านเพลิงไว้บนฝ่ามือนะ่ะถ่านเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือเราจะให้มันติดบนฝ่ามือไปเรื่อยๆ มันร้อนเอคาคลองไปหมดหมไหม้หมดทั้งมือนะ่ะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะไปถึงที่ของมันเราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบรนเทานี้เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อยๆๆจนกระทั่งถึงที่แล้วสลัดทิ้งความร้อนก็ไม่ค่อยยุนแรงอะไรมากนะพอบันเท่ากันได้ในขณะที่โยนผ่านไปออกจากฝ่า ม, มือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรรเทาเ่าไปนิดๆจนกระทั่งถึงที่พี่สลัดปัดทิ้งนีอันนี้ก็เหมือนการทัดขาเนี่ย เปลี่ยนยาบบทั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับวนถ่านไปขึ้นบนอากาศอะเดินนั่งนอนถ้านอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดนอนนานๆก็เผาตัวเองนี่แหละให้ร้อนให้เกิดความทุกข์ความลาบากในร่างกายยืินนานๆก็ลําบากเดินนานก็ลำบา ก, นาน ก, บากต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเยเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันตาย น, านั่นที่ดูสิวันตางน่และวันสลาดปัดถึงอื จะปัดทิ้งธาตุขันกองทุกข์ที่มีอธาตุขันนี่เราจะพิจารณายัางไงเวลามีกิจของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยเราพิจารณาลงด้ปัญญามีไว้เพื่ออะไรสึงต้มใจจริงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลแก้สิ่งที่มงมายสิ่งที่จะทําให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ถึงนี้ เอาธาตขันเนี่ยเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่พิจารณาทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เห็นตามสภาพของความจรงของมันอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อทุกเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่องทุกออืเราเคยพิจารณามาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นความจริงอยู่ตะวันดั้งคำคืนั้งลุงมิตรตลอดเวลาการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอยู่นั่นเลยเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจิตมีความสม่ำเสมอตัว อะไรจะเกิดขึ้นขอรับทราบรักทราบไปตาม ค, ความจริงข้อความคล่องแคล่วแจ้งของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาทํางสองมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่มันยังตื่นเต้นอยู่ก็พิจารณาให้มันชัดเจนลงไปเอาจนแหลกละเอียดไม่ตื่นเต้นแล้วพอพอตัวพอตัวเรื่อยๆไปเพียรวิชาแก้วัตถบนภยายในจติตใจต้องเรียงอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทําได้ยากอันที่เรียกว่าคำว่กรรมฐานเนี่ยอย่าที่เขียนไว้ในปฏิปทาของพระกรรมฐานสายชันจันมันกรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานน่ยกรร ม, มะแปลว่าการกระทําฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายงานด้วยวัฏฏสงสารออกมนในจิตใจได้จากการพิจารณากรรมฐาน เป็นงานที่หนักอยู่มากงานนี้งานรื้อคบรื้ธาตุรือวัตรือวัตตะลงภารหรือขีดเดือดทันหาออกจากจิตใจทั้งตนให้กายตนนี้วัตตะขึ้นมาภายในจิตใจงเป็นงานที่ยากต้องหาที่ัทําเลที่เหมาะสมมีเป็นสิ่งสําคัญเมื่อหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความภาคยันในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าได้ที่ทําเลที่มาเหมาะก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพุทธเจ้าสอนภาษาวก เวลาที่บวชแล้วลูกขมูลจะน่าสนางเป็นต้นส อ, อนให้ไปอยู่ตามแต่ป่าใาเขาลูคขมูลลำไม้ในถ้ำในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบําเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรือปราบตามกิเลสให้อยู่ในเมื่อมือลึให้มันซึ่งทราบไปจา ก, กจิตใจการเป็นอยู่ปูวายไม่ใช่คํานึงคํานวณ น, นี่แต่ว่าการประกอบความภากเปลี่ยนจนในสถานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิเลส อ, อาสะวะ ไปโดยลำดับลำดับสถานที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รือสอนที่เดชด้วยกรรมาฐานคืองานอันใหตัวนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าบวชมาองค์ใดก็ตามอุปทานไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นส อ, อนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกประมูลเส้านาแลังเป็นตนสอนลูกประมูลร่มไม้เจี่ตามป่าตามเขาสอนให้บินขาบมาหาด้วยกาลังตีแข่งของตน เป็นงานชอบทำอย่างยิ่งยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการแสดงหาสดงหาโดยวิธีอื่นอื่นนะท่านก็สอนไว้อายันเตปัตโตน่ะต่างเลมีบาดของเธอหรือนี่บาดของเจ้านะนัะ่นท่านบอกไว้เลยทั้งทั้งที่บากด อ, อยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาดของเจ้านะนีะ่ห้ประคับใจเรื่อไปอีกทีบอกทําใหม่ว่าบาดของเจ้าน ะ, นะ ก็คือว่านี่คู่ชีวิตของเจ้าน้านั่นเองไบบินธมามาฉันหาได้มาแล้วเอาลงไปในบาสนั้นนะ่ะไม่มีภาชนะใดสําหรับสมณะที่ควรยิ่งกว่าบาสน่ะสอนลงไปถึงนั้นเองบาตเป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพระสมณะไบบินธมาก็บาตรลูกนี้อมาฉันก็นลงในบาสนี่นั่นเป็นสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุด ท่านถึงสอนว่าอันเตปตโตไม่สําคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอกอืมายังสคาติเนี่ยอายังอุตราสังโกอายังอันตรวาสโกนี่สบงนี่กีวร น, นี่พาสังคาติท่านนี่บาทนี่บอกแล้วให้เอาไปใช้เป็นกิจที่เป็นบริหารหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำํำสำหรับพระนี่เป็นสิ่งสําคัญนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ ใช ส, ส, สั่งสมนั้นสั่งสมนี้หานั้นหานี้ท่านไม่ใช่ว่าท่านบอกลงในจุดสำคัญ ข, ขันนี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดไปเถิดไปที่ไหนที่นี่คี้บอกสถานที่ไปหรืขอขมลูล้มไม้ตามชายป่าชายเขาไปหาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการมุ่นเป็นชำนาธรรมหนึ่งในข้างพุณกายสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบาเพ็ญเพียร พ, พื่อความแก้วกล้าสามารถ ในทางความเปลี่ยนและทางกติปัญญาก็จะรื้อถอนที่เหลือกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภาในจิตใจและฝังจมกันมาเป็นเวลานให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการยุทธวิธีแบบนี้ในสถ า, านที่เช่นนั้นเป็นสถ า, านที่เหมาะสมที่สูจ น, น์สอนแต่วงจีวรของนี้เท่านั้นไม่ต้องมากมายิ่งกว่านั้นเพื่อเพื่อ พ, พลุงพลังะ มีบาทใบหนึ่เอาไปมีเท่านั้นละ่ะเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดแหน่ไหนสบายไนมะ่ต้องพลุงพลังห่วงหน้าห่วงหลังเตรียมการดูการกินยุ่งไปหมดแน่เลยยุ่งแต่เรื่องดูเรื่องกินไมการที่จะยุ่งกับความภาคความเพียนยุ่งกับการค่ากิเลสทําลายกิเลสไม่มีมิมต่ยุ่งกับการสั่งสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั้นเตรียมมี่วุ่นไปหมดมันก็ผิดจากหลักของศาสดาที่สอนไว้ แล้วคำว่าฆ่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี้กิเลสตัวไหนจะหายหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากแค่แตกลูกแตกหลานขึ้นมาเต็มหัวใจแพร่ไปหมดกระจายไปทั้งข้างนอกข้างในเต็มไปหมดเป็นแต่กิเลสมาบำเ พ, พเ็ญเพื่อแฝงกิเลสหรือกล้ามาเป็นผู้สั่งสมกิเลสผิดกับโอวาคัมม์ขงองพระพุทธเจ้าที่แบบมัชชิมาปฏิปฏาทาผิเพื่อให้ตรงก็ แตงนั้นก็ต้องเดินตามหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักพระโอวาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าพระไม่รล่าคารวาสอนลงที่หัวใจด้วยการประพเพปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วนแน่นแต่เป็นอุบายวิธิสอนเพื่อแก้กิเละทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเละนี่ถ้าเราปีงเกี่ยวกับ ถ้าอวัติที่สอนนั้นก็เป็นการต่างสมเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวเจ้าของามากๆไม่สั่งสมไม่สั่งสมก็าตามก็คือการต่างสมอยู่ในห ล, ลักธรรมทาตนั่นแหละอยู่ในป่าก็คิดแต่เรื่องโลกเรงทฐานเรื่องบุ่นรงว่าไปหมดมันก็อยู่ในปา่าธรรมดาเหมือนกระชอนกระแตมีอะไรเกิดประโยชน์อะไรอยู่ในบ้านถ้าคิดอาชีพทำกยังดีกว่าเนี่ยมันสําคัญอยู่ที่ใจคือคิดถูกหรือผิด การพิจารณาเอาไปวิเ น, นร่างกายก็เ อ, เอาเอาให้แหลกลงไปโดยลําดับดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างหลังหลังมาข้างบนดูภายในดูภายนอกดูให้ตลอดพรวจถึงว่ามีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ที่ท่านว่ากรรมาฐานห้าคืออะไรเพียรสาโมารมาฐานทั ต, าตาโตไปถึงนั้นท่านหยุดเสียเพราะคําว่านหนังหุ่งห่อไปหมดแล้วในร่างกายคนเรา ม, มีหนังดูก็ไม่ได้เลย ในว่าสัตว์นะว่าบุคคลเมื่อถลกหนังออกไปแล้วดูไม่ได้เล ย, ว, ยว่าเป็นหญิงเป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่านท่านจึงไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปทั้งกล่าอาการสายที่สองเอาให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเถอะเป็นสัตรูธรรมทั้งนั้นที่เพื่จะรื้อถอนกิเลสออกจากตัวเองพิณาตเป็นมีความทะนิดทันนานแล้วดูอนไหนมันก็เป็นความจริงไปหมดไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวั่นไหว จิตใจก็ปล่อยอุปทานความมั่นถึงมั่นเข้ามาโดยลำหนักลำหนักนี่ว่าไงหมองต้อง ป, ปล่อยวางภาระภาระออกมาด้วยการปีกนี้ปีกนาแล้วทําไมจิตจะไม่เบาทําไมจไมิตจะไม่เย็นไม่สบายจิตจะฟุ้งซ่านไปไหนฟุ้งซ่านกับฟุ้งซ่านด้วยความหลงเม่อมันรู้แล้วมันจะฟุ้งซ่านไปทําไมหากับฟุ้งซ่านไม่มีมีแต่สงบตัไปเรื่อยเ <ๆ S 1> ย็นสบายอยู่ภายในจิตนี่ถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพุทธเจ้ามีแต่ เนการถอดถอนความทุกข์ความทรมาณพันุ์อจิตใจออกทั้งนั้นไม่มีพระอาวาจนข้อใดที่จะสั่งสมที่เด็ดให้สรรโลกได้รับความทุกข์ความลาบากเลยจึงเรียกว่าสวนคาธรรมจับให้ชอบยิ่งแล้วนิยานิกะธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหลจะเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์โดยลําดับๆจนถึงถึงความพ้นทุกเบอร์สิ้นเชิงพ้นทุกหรอพ้นที่ไหนอ่าในเวลานี้ทุกอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจเราเนี่ย มันมาอยู่ที่ไหนทุกที่กายก็ไปรวมที่หัวใจถ้าใจไม่รอบพอบทุกที่ตรงไหนอวัยวะส่วนต่างๆที่ปรากฏเป็นความผิดปกติขึ้นมามันก็ต้องไปทุกที่หัวใจเพราะใจเป็นผู้กว้านผู้ ก, กอบโปรยเอาความทุกข์ที่เกิดจากสถานที่ต่างๆจากอาการต่างๆของร่างกายเข้ามาสู่ตัวเองและเป็นไฟเผาตัวเองนั่นแหะทุกไปหมดทุกใจมันทุกละหมาดยิ่งกว่าอะไรทุกมากยิ่งกว่าสิ่งอันใดภายในร่างกายของเรา แต่ใจมีความทลาดตามที่เราเคยพิจารณาเห็นตามองจริงมันมาเห็นแล้วมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายส่วนไหนมันเป็นก็ทราบมันเป็นมันเป็นทุกข์อ๋อเป็นทุกขอย่างนี้รับทราบการอทุกข์เพราะเหตุนั้นเหตุนั้นก็รับทราบความเสียทุกข์มันจะดับไปก็ดับเราไปปรุงแต่งมันได้ทําไงเรื่องของทุกข์เวลาจะเกิดแล้วก็ไม่ปรุงแต่งให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นตามธรรมชาติของมันมันตั้งอยู่กับตามธรรมชาติของมันมันดับไปก็ตามเรื่องของมันฮะ การพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงของมันทุกระยะระยะเราก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจนั้นจะทนไม่ไหวจริงเหรฮ อ, อทนมาตั้งแต่วันเกิดจนมาตั้งถึงวันนี้ที่นี่จะทนต่อไปไม่ได้เหรอทนไม่ได้ก็ปล่อยเสียแหนนั่นหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริงพอทนได้ก็ทนไปของทพระพุทธเจ้าท่าน คือรับสั่งถามภาษาวกอะเป็นยังไงเช่นท่านรับสั่งถามพระกัสสปะเป็นต้นเป็นยังไงกัสสปะขันธมันจงของเธอพออดทนอยหรือน่ะท่านถามความสุขความสบายกันท่านถามงนั้นขั้นบริการเป็นยังไงขันธมันจงของเธอพออดทนอยูดูบ้างเหรอนพวกเราวาสมายดีหรอคือถามเรื่องกรองคุกมันจะเอาความสบายมาจากไหนเป็นยังไงสมายดีหรอ ทุกวันนี้มาอยาจะถามใครนะถามนั้นมันฝืนภารกิตจชอบคนสบายเลยเพราะวา่วาแบบฝืนว่าเอาเขาไปงั้นแหะทั้งทั้งจิตใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองคุกอยู่ภายในร่างกายนะ่ะสบาดีหรือภารกิจใจทำร้าได้แค่ไหนแล้วเวลานี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือได้ผ่านพ้นกองคุกที่มั น, นลุมภายในจิตใจนั้นไปมากน้อยเพียงไหนพิเรศตัวสำคัญสําคัญที่เป็นภายในจิตใจนั้นมันได้ตายไปบ้างหรือเปล่าเลนเลนมันอย่างน้อยเลนเมันตายบ้างหรือเปล่าลูกมันตายบ้างหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงพ่อถึงแม่มันะ ตาบ้างหรือป่าถ้าพูดอย่างน้ น, น่าฟังเอแล้วเรจะกระทั่งถึงเป็นยังไงปู่ย่าตายายมันตายแล้วยังลูกเหลินหลานไม่ต้องว่าแล้วข้ามันคิดหายไปหมดแล้วปู่ย่าตายายตัวสําคัญมันได้ข้ามแล้วยังข้าแล้วเออสวัสดีนะนั่นไม่ต้องถามก่อสวัสดีเพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งถามมีพระกัสปะเป็นต้นมาเป็นยังไงกัสปะ ขันตบันจบของเธอพออดพอทนเหถอะทางนั่นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นฟัทงที่น่ากลาดท่านตอบกันอุ้ยน่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดทนกัไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสียเท่านั้นเนี่ยเรื่องมันก็มีเท่านั้นเอ๊ถามความสวัสดีอยจะให้ถามภายในเป็นยังไง ส, สมายดีเหนื อ, อสมายดีเ ห, ไไหนือเป็นไงจิตใจเป็นยังไงมีหลักมีเกณฑ์ยังไงบ้างหรือเปล่า พยายามรักษาตัวบางเปล่าหร iel, ือรักษาแต่ภายนอกวุ่นแต่ภายนอกกันหรือลืมแล้วหรือตัวสําคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้ทักษาบางหรูเปล่าตัวสารสําคัญนั่นแหะหรือปล่อยให้กิเลสทับผมเอาเป็นกองมูลฝดมูลแห้งสมุนแล้วหรืออยากให้ดูตรงนั้นว่าสวัสดีเหรอสบายดีหรือมันถึงเหมาะสมะนี่แล้วปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันให้ถามอย่างนั้นเหมาะสมที่สุดแล้ว นล้วพาแก้ทุกวันทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอสถังอุตมังวรังสกัตตวาพุทธะตัณังโอสถังอุตมังวรังสกัตตวะธรรมตัณังโอสถังอุตมังวรงสกัตตวสังขาตัณังโอสถังอุตมังวรังพระพุทธเจ้าพระธัมประสงค์เป็นโอสถเป็นโอสถอะไรเแก่พิเรหาอสวะภายในจิตใจของเรานีเองอะพุทธะล้วผู้รู้เอาผู้รู้ผู้เจรินี่แหะแก่ ธรรมะจะได้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจระงับดับโลก ค, ความวุ่นวายไปหมอดสังฆผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทันอัจจารร์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่นี่เป็นโอโซดแต่ละแต่ละอย่างในอย่างทุกแต่ละธรรมชาติคือเป็นเครื่องพยุนจิตใจของเราอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธะธรรมะสังฆซึ่งมีความประเสริฐอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยจิตของเรานี่แหละจะ เป็นภาชนะอันสําคัญสำหรับรับพุทธะอันแท้จริงจากของพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธะของเราธรรมะอันแท้จริงจากธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของเราโดยการชําระได้จากสังฆะของพระสงฆ์สาวกท่านมากลายเป็นสังฆะของเราผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายมีอยู่ภายในใจิตใจด้วยการปฏิบัติชอบของตงนนี่พุทธังธรรมังสังขังสนามะถานี้ถึงที่จิตนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้ า, รรฝ า, ร พ, ร พ, าพระธรรมเฝ้าพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในจิตของเราดวงเดียวท่านพูดไว้เป็นเพียงอาการเท่านาั้นแ่ะเป็นพุทโธธรรมโมสร้างโคกาตินานาหุ้นตามวิวัติโตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้ากล่าวโดยอาการแล้วก็เป็นคนอย่างจริงเห็นไหมอัญญมัญญายิโยกาวะเอกีพุธัมกนะฐโตแต่อาศัยสิ้นกันแลกันแต่เมื่อพูดโดยธรรม โดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวเท่านั้นนะท่านบอกเป็นอันเดียวก็คือทำทั้งแท่งทำทั้งดวงคือใจดวงเดียวพุทธะอันใดธรรมะอันนั้นธรรมะอันดสังขะอันนั้นรวมลงในธรรมชาติคือจิตที่โดยสุดดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ท่านบอกความประเสริฐนั้นอยู่ที่ความรู้อันนี้อ่ะแก้สิ่งที่ปลอมๆทั้งหลายที่กดขี่บังคับจนหาคุณค่าราคาไม่น่าทานในจิตใจเรานั้นออกให้หมดด้วยอุบายสติปัญญาของเราแก้ลงไปแก้ลงไป สาระสําคัญจะค่อยปรากฏขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถึงคําว่าบางอ้อคืออะไรอ้อนี้เหลือดังที่ท่านอาจารย์มั่นปรากฏขึ้นมาเพราะไปเจอหนองอ้อบางคนเลยเข้าใจว่าเป็นหนองอ้อบึงนั้นบึงนี้นจริงๆนะแต่นั้นก็มีคําว่าหนองอ้ออนี้เหลือไปเจอหนองอ้ออ้อที่ภายในปิตใจนี่เองอ้ออ้อนี้เหลือถึงแล้วหนองอ้ออ้อนี้เหลื อ, ล อ, อ, อ, ลอธรรมชาติที่หาที่แถบลมแถบกายนะั้นปรากฏแล้วเลยวนี่อยู่ภายในปิดนี้หมายอันนี้ต่างหาก คนเลเที่ยวหาดูน้ององ้งน้องอ้อก็มีนะแต่เที่ยวเชียงใหม่ไปดูน้อง อ, อ้อที่ท่านจันมั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจอออืความทุกข์ทั้ ง, ง, งคนผิดขนาดนั้นนี่ได้ยินตองหูจากของเองงนนั้นเราก็เลยเกิดความสุขสมเพชขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดให้ฟังเขาไปหาน้อง อ, อ้อที่ท่านจันมั่นท่านเจอว่างนะั้นท่านได้เจอทําอยู่ที่น้อง อ, อ้อตรงนั้นตรงนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอว่างั้นเราก็ยิ้มนิดนึงสุดสงเพชนี่ได้ยินในหูตัวเองนะแต่ก็ไม่พูดอะไรให้เขาฟังเพราะเขาไม่ถามเราเนี่ แล้วคนที่กว่าจะอธิบายให้ฟังมก็มีอีกอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายให้ฟังได้ยังไงขนาดนั้นแล้วทั้งๆที่มีความสนใจก็จริงเราจะคูดว่านองอ้อ น, นี้ต่างหากเขาก็ไม่พอจะเกิดความสนใจอะไรมากนะักถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงใจทันทีหนองอ้อที่ไหนแล้วว่าคำทำอย่างนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรู้อะไรรู้ที่ไหนเท่านั้นก็เข้าใจคนนะผู้ปฏิบัตินี่เราให้พยายามให้เจอหนองอ้อมีแต่หนองวุ่นหนองวายหมองยุ่งไปหมด ทั้งวันทั้งคืนเดิหนนอยหน่อยอ น, น้องอันนี้มันนองอะไรถ้าคนให้ลมตนไปมากมายนอนจมอยู่กับหนองวุ่นหองวายความเดืร้อนอยู่ทีนเราเจอหนองอ้อบึงอ้อตรงนี้ภายในจิตใจจะเอาให้หมดทำอไรไม่ดีไม่างพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันห้าย่าปล่อยยาวางนี้แหละเป็นตัวค่าสุดสําคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นค่าสุกยิ่งกว่าขันห้าเป็นข่าสุดต่อเราการพริจารณาขันห้าคือเรื่องบุกเบิกทางให้ถึงความก่เสื่มได้อย่าง ไม่มีอะไรสงสัยพิจารณาลงไปรูปอย่างที่เคยสอนแล้วมันเป็ยังไงกําหนดลงให้เห็นว่ารูปคือความจริงอันหนึ่งเนทนาคือความจริงอันหนึ่งวันนี้มันก็จริงขนาดนี้ก็จริงขณะหน้าก็จริงการใดการใดมันเกิดขึ้นมามันเป็นความจริงมันตลอดสายเราจะไปหลงความจริงของเขาให้เป็นตรอมขึ้นมาวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราก็พอมีชื่อว่าปัญญาให้ตามความจริงก็ได้เห็นถึงว่นั้นเป็นความจริงกัญญาของข่าวอญญาณแต่และอย่างอันหนงมันจริงของเขา ถ้าเปิดขึ้นมาชิด ข, ขนะดแล้วดับไปดับไปโ ด, ปดยที่เขาเองก็มีความหมายต่อเขาแต่อย่างไดเลยมิได้เราไปให้ความหมายเขาก็หลงของยุ่งไปหมดเห็นต่างความจริงนะครับแลน้นก็ปล่อยกันสบายสบายเบิกออกเบิออกออกอะไรที่มาหุห้มห่อปิดใจให้เหลือแต่จิตที่ธรรมชาติมีปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงลรักษาจิตใจสลัดออกได้ ขันกันขันกับจิดอยู่ด้วยกันก็จะเป็นอะไรไปเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วนี่จะเป็นอะไรไปแล้วเคยอยู่ด้วยความปัวพันถือเป็นหมึ่งอันเดียวกันก็มานานที่นี่มาแยกกันได้แล้วต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงเนาะว่าจะเป็นพิษเป็นภัยต่อกันที่ไหนตั้งแต่เป็นพิษเป็นภัยต่อกันจริงเรายังถือว่าเราได้เราเป็นของเราเนี่ยรายังถือได้เรนอยู่ด้วยกันมาได้ในรูปให้เห็นตามเป็จริงของกันอาการเสียในอาการต่างๆทั้งห้านั่น จิตก็เป็นจิตเจือด้วยความผุ้สูงตนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จนกระตั้งถึงวันตายเช่นกันเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่ยิ่งหายหง่วงหายใหญ่หายหมดปลอยภาะระได้โดยประการทั้งปวงสิ้นสุดพิมุตไม่ต้องไปหาที่ไหนเฮ ม, มันติดข้องที่ไหนแก่ที่ติดข้อง ไ, ได้กพ็พ้นที่นั่ น, พ, นกกพ้นที่นั่นพ้นทุกข์ก็พ้นที่ทุกข์ไปอยู่และทุกดับไปแล้วก็พ้นไปได้เท่านั้นนี่ วความพ้นทุกคนที่หนึ่งอลักการแสดงธรรมก็จจเห็น ม, นสมาสมบ <c oughs> ูรณ์ขอริษ์เเท่าน